ตอนเย็นนะได้ไปผาศรีวิไลเอาเท่าอังคารนะของโยมคนหนึ่งนะซึ่งเสียชีวิตได้สองปีแล้วมาโปรยนะที่ตรงหน้าผานะผู้ตายนี่ก็คือผู้หญิงคนที่พูดเมื่อวานเนี่ยซึ่งตอนนี้สามีก็มาบวชพระนะ แล้วก็ได้เล่าว่าความเจ็บป่วยของภรรยาจนกระทั่งาตายจากกันไปเนี่ยมันได้นำสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตของทั้งสองคนอย่างไรบ้างอย่างที่เขาพูดว่าเนี่ยถ้าเราไม่เจอทุกข์นะหรือไม่มีมะเร็งเกิดขึ้น วันนี้เราจะมีความสุขแบบนี้หรือเปล่านะขอบคุณความทุกข์นะทีะ่ทำให้เราได้พบกับสิ่งดีงามของชีวิตนะอันนี้ก็ออกมาจากปากคนที่เขาสูญเสียคนรักแต่เขาก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างที่มีคุณค่าแล้วก็ เมื่อตอนเย็นก็ได้เรียกว่าเป็นการปิดฉากนะปิดฉากของอาการล่ำลากันก็คือว่าเท่าหรืออังคารที่ลงเหลืออยู่ก็านาไปโปรยที่ภาสีวิไล <c oughs> แล้วก็เหลือแต่ส่วนที่เป็นกายอยาที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนะก็คืนสู่ธรรมชาติ แล้วก็ไม่นานก็คงจะกลับมาเป็นต้นยญ้าเป็นต้นไม้เป็นอาหารของสัตว์แล้วก็กลับคืนสู่ชีวิตนะอีกลักษณะหนึ่งต่อไปส่วนผู้เรียนอยู่ก็ระลึกถึงความดีแล้วก็ความรักที่มีต่อกัน เพื่อจะได้เป็นสิ่งเตือนใจให้ดำเนินชีวิตในทางที่ดีงามอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้รู้จักหาประโยชน์นะจากความทุกข์จากความเจ็บป่วยจากความสูญเสียซึ่งก็ถือว่าแม่จะอยู่ด้วยกันในเวลาไม่กี่ปีนะแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมีความสุขมีความรักมีความเข้าใจกัน ในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะปริมาณมันไม่สำคัญนะปริมาณในที่นี้ก็หมายถึงว่าระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันก็ดีหรือว่าระยะเวลาที่ได้อยู่ในโลกนี้ก็ดีเนี่ยมันไม่สำคัญบางคนก็อยู่ในโลกนี้เพียงแค่ไม่นานแต่ว่าเป็นชีวิตที่มีคุณเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีคุณภาพ คนส่วนใหญ่เนี่ยมักปรารถนาชีวิตที่ยืนยาวนะแต่ว่าความยืนยาวของชีวิตนี่มันไม่สำคัญเท่ากับว่าชีวิตนั้นเนี่ยมันมีความลึกหรือความกว้างหรือเปล่ามันก็เหมือนกับแม่นม้ำนะแม่น้ำเนี่ยสายยาวก็ไม่สำคัญเท่ากับว่ามันมีความลึกและความกว้างชีวิตเนี่ยมันมีสามมิตินะ มิติหนึ่งก็คือมิติที่ยาวไกลก็คืออายุอีมิติหนึ่งก็คือมิติกว้างคนเราเนี่ยมีชีวิตยืนยาวแต่ว่าจิตใจไม่กว้างขวางไม่อบอ้อมอารีไม่มีเมตตามันก็ไม่ใช่ชีวิตที่มีคุณภาพเท่าไหร่นอกจากความยาวต้องมีความกว้างและความลึกความลึกก็คือความลุ่มลึกในทางจิตใจ การที่สามารถจะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งนะก็คือเรื่องของปัญญานั่นแหละมีปัญญาที่เข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งมันก็จะทําให้เกิดความเมตตากรุณาบําเพ็ญประโยชน์ท่านแล้วก็ทําประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นแม้เจอความผ่นผลลวนปลุนแปลงยังไงก็ไม่ทุกนะอันนี้เพราะการที่เข้าใจความจริงที่ลึกซึ้งอย่างที่พูดเมื่อชานะว่า คนเรานี่ถ้าสามารถจะเห็นความจริงที่ลึกไปกว่าระดับสมมุติเรื่องความจริงขั้นปรมาติเนี่ยไม่ติดอยู่แค่ความจริงระดับสมมุติเห็นทุกคนเป็นเพื่อนมนุษย์ไม่ติดอยู่กับความเป็นไทยเป็นพม่าเป็นฝรั่งเป็นจีนไม่ติดอยู่กับความเป็นพุทธเป็นคริสตเป็นมุสลิมนะเป็นเหลืองหรือเป็นแดงเนี่ยเห็นถึงความเป็นมนุษย์ ที่มีอยู่ในทุกคนเหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยที่มันไม่สนใจหรอกนะว่าใครจะเป็นชนชาติภาษาไหนนับถือศาสนาอะไรรวยหรือจนเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยมันก็เห็นอย่างเดียวคือเห็นตับไตไสู้มิเห็นร่างกายของแต่ละคนซึ่งที่จริงก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยไม่ว่ารวยหรือจนไม่ว่าจะเป็นเหลืองแดงไม่ว่าจะเป็นพุดธคิดอิสลามร่างกายก็เหมือนกันหมด คือเป็นมนุษย์เหมือนกันนะอันนี้ก็เปรียบได้กับคนที่มีปัญญาเห็นความจริงในระดับปรมัติษนฐะ์ว่าที่จริงแล้วนี่ไอ้ศักว่าที่เราเรียกว่าเป็นคนในก่อในขอที่จริงแล้วมันก็แก่นแท้ก็คือขัน5่านะรูปนามกายใจมีเหมือนกันหมดรนะักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน ที่ได้มีเห็นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้หนึ่งก็มีเมตตากรุณาต่อผู้คนสก็ทำให้ความทุกเนี่ยมันมากระทบจิตกระทบใจได้ยากเพราะถ้าเห็นความจริงระดับนี้เนี่ยมันไอความสำนึกหรือความสำคัญมันหมายว่าตัวกูมันก็ไม่หลงเหลือหรือเบาบางมากถ้ากายทุกนะแต่ว่ากูไม่ทุกด้วยเนี่ยมันก็ มันก็เป็นเรื่องที่พอทนไหวหรือไม่ใช่เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสคนเราเวลากายทุกเนี่ยมันไม่ได้รู้ไม่ได้รู้สึกว่าหรือไม่ได้เห็นว่ากายทุกนั้นแต่ไปสําคัญมั่นหมายว่ากูทุกกูเจ็บกูปวดนะมันมีกูนะเป็นผู้แบกรับความทุกข์มันก็เลยอยู่ในโลกนี้นะด้วยความทุกข์ ไปหลงติดในสมมุติว่านี่ของกูนี่ของกูนี่คือกูนะกูเป็นนั่นกูเป็นนี่กูเป็นคนใหญ่คนโตเป็นปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีเป็นรัฐมนตรีเป็นดาราดังเป็นจเจ้าอาวาสเป็นพระราชาคณะแต่ทำไมคนอื่นไม่เคารพนะไม่ไม่ยกย่องไม่ทักทาย แค่นี้ก็ทุกแล้วนะทุกทั่วเพราความยึดนะในความเป็นนั่นเป็นนี่ซึ่งเป็นสมมุตินะคันนี้เนะมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่าเนี่ยคนเราเนี่ยแม้จะอยู่ด้วยกันไม่นานนะแต่ว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมีความรักมีความเมตตามีความเ อ, อื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเนี่ยมันเป็นชีิดมันเป็นความสัมพันธ์ที่ประเสริฐกว่าการอยู่ด้วยกันอย่างยืนยาวแต่ว่าเขินห่างหมางเหมือนกัน แล้วก็ชีวิตของผู้คนจํนนวนมากก็เป็นอย่างนี้นะแม้จะอยู่ด้วยกันนะแต่ว่าก็เหมือนกับว่าไม่รู้จักกันเป็นคนแปลกหน้าบางทีก็เป็นสามีภรรยากันบางทีก็เป็นพ่อกับลูกแม่กับลูกก็มีนะเมียกงคนหนึ่งเล่าว่าเนี่ยมามาเกิดที่เมืองไทยแม่เนี่ยเป็นคนไทยพ่อเป็นคนจีน แต่แม่เนี่ยเป็นเมียคนที่สองเมียคนแรกอยู่ที่เมืองจีนอันนี้คนคนจีนเนี่ยนะก็มักจะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าอ่ามีเมียคนแรกที่เมืองจีนเสร็จแล้วพออพย พ, พ, ยพเสื่อพื้นมอนใบามาที่เมืองไทยก็มีเมียคนไทยอากงวันนี้เนี่ยแกก็เกิดจากแม่ที่เป็นคนไทยและวันหนึ่งพ่อเนี่ยก็อยากจะให้ลูกนะไปเรียนรู้ ขนมทำในวิถีชีวิตที่เมืองจีนก็เลยส่งอากงอันนี้ซึ่งตอนน้าอายุเขวบนะไปอยู่กับแม่จะเรียกว่าเป็นแม่ใหญ่ก็ได้นะเป็นแม่ใหญ่คือเป็นเมียคนแรกของพ่อนะไปถึง10ปีนะตัวเด็กเนี่ยนะจากเมืองไทยไปตอนอายุเขวบก็คิดถึงเมืองไทยตลอดคิดถึงแม่แม่ที่เป็นคนไทยนะ แม้ว่าจะอยู่ที่นั่นก็เรียกว่าสุขสบายแต่ก็คิดถึงเมืองไทยคิดถึงแม่มีข่าวมีบางมีบางครั้งเนี่ก็ถึงกลับนะไหว้น้ำนะลงทะเลไหว้น้ํานะคิดว่าเท่าไวไปเรื่อยๆเดี๋ยวคงถึงเมืองไทยนะแต่มันก็ไหวไปได้ไม่ไกลนะเพราะว่าเมืองจีนกับเมืองไทยมันไกลกันเยอะมากนะอายุครบสิบเจ็ดนะพออายุสิบเจ็ดปีเนี่ยก็กลับมาเมืองไทยดีใจมาก พ่อนี่มารับมารับเล็แล้วก็พากลับบ้านนะตอนที่ไปถึงบ้านเนี่ยก็เจอแม่ของตัวแต่ก็เอจใจว่าทำไมแม่ทำหน้าตาเคร่งเครียดนะไม่ค่อยได้พูดได้จากันเท่าไหร่เพราะว่าห่างกันไป10ปีถึงเวลาค่ำเนี่ยนะพ่อก็อชวนลูกมาคุยถามว่ามีประโยค์นึงก็ถามว่า อยู่เมืองจีนเป็นยังไงสุขสบายดีไหมคนที่เป็นลูกเนี่ยนะด้วยความปรารถนาดีนะก็คือไม่อยากจะให้พ่อแม่เป็นทุกข์ว่าลูกไปเมืองจีนเนี่ยอยู่ลำบากไม่มีความสุขนะก็ก็เลยพูดให้พ่อแม่สบายใจมีความตั้งใจอย่างนั้นนะว่าไม่ได้ถูกส่งไปลาบากก็บอกว่าเนี่ย อยู่ที่เมืองจีนนี่สบายนะแม่คนจีนนี่ก็ใจดีเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะญาติพี่น้องก็ดีนะอยู่สบายนะไม่มีความทุกข์ความลำบากอะไรเลยพูดไปอยู่ดีๆนะบอกว่าแม่เนี่ยซึ่งเป็นคนไทยนะแกะกระแทกเช่นเชียนหมากนะก็ที่กำลังอ่ากระแทกครกเนี่ยนะแตกเลยนะด้วยความโกรธ แม่งตัวนี้โกรธนะและนับแต่นั้นเนี่ยแม่ก็ไม่พูดกับลูกกันเลยนะคือแม่คงน้อยใจนะวันเนี่ยว่าไปอยู่เมืองจีนนี่นะมันไม่ได้คิดถึงแม่เลยไม่ได้คิดถึงเราเลยนะมันอยู่สบายเนะี่ยนันี้เป็นเป็นอัตราของแม่นะคนที่เป็นแม่ก็อยากจะให้ลูกนี่คิดถึงนะยิ่งรักลูกก็อยากให้ลูกคิดถึงแม่ นะอยากใจได้ยินนะว่าลูกพูดว่ามันลาบากในเะมืองจีนนะคิดถึงแม่ตลอดเวลาที่เมืองไทยเนี่ยนะกลงคนเป็นแม่เป็นอย่างเนี้ยในกรณีนี้นะพอลูกพูดว่าสบายเนี่ยนะโดยว่าพูดถึงแม่คนจีนว่าเนี่ยนะใจดีเอื้อเฟือเนี่ยโกรธมากเลยเนะนะ่เช่นมากนี่กระแทกพังไปเลยด้วยความโกรธ แล้วก็ไม่พูดกับลูกอีกเลยนะลูกนี่ตะลึงเลยให้ลูกก็ปรารถนาดีนะอย่าพูดให้พ่อแม่สบายใจว่าไม่ได้ไปลําบากแต่ว่ากลับทําให้แม่นี่แค้นอิจฉาโกรธเคืองบอกว่าไม่คุยกันถึงสี่สิปีนะไม่น่าเชื่อนะไม่คุยกันถึงสี่สิปีไอ้ลูกเนี่ยก็สึกผิดตลอดเวลาว่าเนี่ยเราพูดนี่มัน ทำให้แม่ถุกข์ทำให้แม่โกรธจนกระทั่งพอแม่ป่วยหนักแม่ป่วยหนักนี้ลูกก็ไม่กล้าไปเยี่ยมนะกลัวว่ากลัวแม่ดา่านะจนกระทั่งแม่ต้องบอกให้คนดูแลไปเรียกลูกมาพอลูกเนี่ยถูกแม่เรียกกลัวเลยนะทำอะไรไม่ถูกเลยขนาดที่ตอนนั้นลูกก็อายุห้าสิบเข้าไปแล้วห้าสิบเจ็ดนะลูกนี่ทำอะไรไม่ถูกเลย แต่ปรากว่าแม่เนี่ยกับนะพูดไว้พอลูกว่าหรือเป็นเด็กดีหรือเป็นคนดีหรือจะต้องได้ดิบได้ดีนะแล้วแม่ก็ตายอันนี้ก็ลองคิดดูนะแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันนะแม่กับลูกเนี่ยอยู่ด้วยกัน40สกว่าปีแต่ว่าอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับคนแปลกหน้าเหมือนกับอยู่คนละโลกนะไม่พูดกันนะ ไม่บอกรักกันอันนี้พ่ออะไรนะต้องเรียกว่าเป็นพาะทิฏฐิมา น, นะหรือเป็นพาะ อ, อัตตาอัตตาของผู้เป็นแม่นะ เ, นเวลาลูกบอกว่าพูดถึงแม่คนแม่เมืองจีนว่ า, ด, างงดีอย่างงินดีอย่างนี้ตัวเองนี่โกรธเลยนะกลัวว่าลูกเนี่ยไปรักแม่เมืองจีนนะแม่ไม่รักเรากลัวว่าไปคิดว่าลูกเนี่ยไปรักแม่เมืองจีนไม่รักเรา เราอุตสาห์เป็นผู้ให้กำเนิดมันกับนะไปชื่นชมยินดีแม่เมืองจีนมันเป็นความเข้าใจผิดแท้ๆเลยนะเพราะว่าจริงๆลูกเนี่ยตั้งใจจะพูดให้แม่สบายใจแต่แม่นี่กับไปคิดว่าลูกไม่เห็นความดีของแม่ลูกไม่รักแม่อันนี้มันเหมือนกับละครเลยนะมันยิ่งกว่านิยายนะ เราก็ไม่น่าไม่คิดนะว่าคนที่เป็นแม่จะคิดได้แบบนี้นะแล้วก็ใจแข็งมากไม่คุยกับลูกตัง้งสีปีที่จริงคงจะใจอ่อนแล้วนะแต่ว่าไม่กล้าที่จะไปเป็นฝ่ายไปเริ่มต้นก่อนนะอาจจะรู้สึกเหินห่างหมางเหมือนสักยี่สิบปีหลังจากนั้นก็รู้สึกว่ามันมันไม่น่าเลยนะแต่ก็ไม่กล้าเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนก็รอให้ลูกจะมาหาแม่ไอ้ลูกก็กลัว ขนาดโตอายุ5 0แล้วก็ยังกลัวแม่ก็ต่างฝ่ายต่างมิถิฏฐิมาน้านเนี่ยก็ยังดีนะที่ตอนแม่จะตายเนี่ยแม่ขอพบลูกนมันก็เลยทำให้ได้มีการคลี่คลายกันเนี่ยความเข้าใจผิดไอ้ความเืินห่างมั่งเมือเนี่ยบ่อยครั้งเกิดจากความเข้าใจผิดนะและ้วก็สร้างความทุกข์ให้กับทั้งสองฝ่ายหากว่าได้หันมาคุยกันหันมาสอบถามกัน นะมันก็คงจะไม่มีความเข้าใจปิดกันยืดยาวขนาดนี้บางอย่างก็เป็นการตีความไปเองนะที่จริงมันก็เป็นการตีความมาทั้งสองฝ่ายมีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็ก็ก็เหมือนกันนี่ยายนะผู้หญิงคน น, นี้นี่ฝรั่งนะผู้หญิงฝรัง่งอายุประมาณ30วันหนึ่งสามีก็ขอหย่าขอแยกทางกันอยู่กันมาสักหปีได้ ผู้หญิงเสียใจมากมันไม่ใช่แค่เสียใจที่คนรักจากไปแต่รู้สึกว่าตัวเองนี่แย่มากตัวเองไม่มีคุณค่ามาไปซ้ำมันไปซ้ำรอยเพราะว่าตอนเธออายุสามขวบเนี่ยพ่อก็ทิ้งเธอไปพ่อทิ้งเธอกับแม่เด็กเนี่ยนะถูกพ่อทิ้งแล้วพ่อก็ไม่ไม่ติดต่อมาอีกเลยเนี่ยมันก็เป็นบาดแผลอยู่แล้วนะว่า เราไม่มีคุณค่าพ่อไม่รักเราถึงทิ้งเราไป ล, ลึกเนี่ยก็รู้สึกว่าเราทําอะไรผิดหรือเปล่าไอ้แผลนี้เนี่ยมันก็อาจจะเยียวยาได้ถ้าเกิดว่ า, ามีคนรักแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างเข้าออเข้าใจแต่พอสามีแยกทางมันก็ไปซ้ำซ้ำรอยบาดแผลเดิมว่าฉันเป็นคนไม่มีคุณค่าไม่มีใครที่จะทนอยู่กับฉันได้ พ่อก็ทิ้งผัวก็ทิ้งโอ้ชุดนีย่ยำแย่มากนะเรียกว่าจมอยู่กับความเศร้าความรู้สึกโบยตีตัวเองก็คงจะไปหาเล่าไปหายาด้วยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็ก็กลับมานะตั้งสติแล้วเธอก็เลือกทางออกด้วยการมาทำสมาธิมาเข้าคอสปฏิบัติธรรม อาจารย์ของเธอเนี่ยคือแจ็คคอนฟิลนะแจ็คคอนฟิลนี่เขาเคยมาบวชที่เมืองไทยแล้วก็พม่าแล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับพระที่เป็นอาจารย์กรรมฐานหลายคนเคยไปสัมภาษณ์อาจารย์พุทธทาสอาจารย์ชาหลวงตามหาบัวหนังสือของเขาเนี่ยชื่อ living buddhist master นี่ก็มีชื่อนะแต่ตอนนี้ก็อาจารย์พุทธนี่ก็มรณภาพไปหมดแล้วแจ็คคอนฟิลก็ไปตั้งสํานักชื่อ inside meditation ที่อเมริกาพี่งคนนี้ก็ไปไปหาธรรมะเป็นที่พึ่งนะจ้าคอนฟิวก็แนะนำให้เธอเนี่ยนะหันมาดูอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นความเศร้าวความโกรธความรู้สึกผิดความรู้สึกว่าไร้คุณค่าไม่ต้องไปทำอะไรกับมันก็แค่ดูมันเกิดขึ้นเห็นมันตั้งอยู่ดับไป มันก็ต้องใช้ความความกล้าผอสมควรนะเพราะปกติเวลาความเศร้าความสัวตัวเองไร้คุณค่าเนี่ยมันเกิดขึ้นคนเราก็อยากจะกดข่มมันแต่ว่าการปฏิบัติการเจริญสติมันก็ช่วยทำให้เธอเนี่ยสามารถที่จะรับรู้อารมณ์เหล่านี้โดยที่ไม่ไปทำอะไรกับมันแค่รู้เฉยๆความรู้สึกก็ดีขึ้นจ a c k c o n f i l แนะนำให้เธอแผเมตตายกับทุกคนให้กับ อดีตสามีให้กับพ่อนะที่ทิ้งเธอแล้วก็แผลไม่ตายกับตัวเองเธอก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีความรู้สึกว่าไร้คุณค่านะคอยกัดกินใจเธออยู่เป็นครั้งคราวคือแผลมันยังไม่หายยังไม่สมานสนิทนะวันหนึ่งแจ็คเนี่ยก็เลยแนะนำผู้หญิงคนนี้ว่าให้ลองย้อนกลับไป นึกถึงเหตุการณ์วันนั้นวันที่พ่อเนี่ยทิ้งเธอไปที่รรกเธอไม่กล้านะเพราะมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดจะให้ย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นอีกเนี่ยมันจะยิ่งทิ้งแทงแต่ว่าแจ็คก็ให้กำลังใจนะและอีกอย่างนึ่งก็เธอก็อยากจะสมานแผลนี้วันนึงเนี่ยพอเธอพอเธอนั่งสมาธิได้สงบเนี่ย เธอก็ย้อนเราลึกไปถึงเหตุการณ์วันนั้นตอนที่เธออายุสาขวบและภาพที่เห็นนี่มันก็ชัดนะเธออยู่บนเธออยู่บนบนัออบนไดบนสุดนะข้างล่างนี่พ่อแม่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงทะเลาะกันด่าทอกันนะเสร็จแล้วพ่อนี่ก็เก็บข้าวเก็บของนะแล้วก็เดินออกจากบ้านไปโดยที่พ่อเนี่ยไม่แม้แต่จะเหลียวมองมาที่เธอ ซึ่งอยู่บนบันไดตอนที่เธอเล่าให้แจ็คฟังนี่เธอก็เรียกว่าร้องไห้เศร้าโศกมากในใจเธอก็คิดว่าเนี่ยฉันทําอะไรผิดแน่นอนเลยนะพ่อเนี่ยถึงทิ้งฉันไปไม่แม้แต่จะเหลียวมองฉันเลยด้วยซ้ําแต่แจ็คบอกว่าเนี่ยลองตั้งสติให้ดีนะแล้วลองคิดว่าถ้าเธอเป็นพ่อเนี่ยลองทําในใจว่าเธอเป็นพ่อเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกอย่างไรแล้วจักก็เริ่มถามนะถามเสมอว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นพ่อคุณรู้ไหมตอนที่คุณเนี่ยออกจากบ้านไปคุณรู้ไหมว่าลูกสาวคุณเนี่ยอยู่บนบันไดชั้นบนสุดรู้นะรู้แล้วทำไมเนี่ยนะคุณถึงทิ้งเธอไป โดยที่แม่แม่แต่จะหันมามองผู้หญิงคนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะใจเนี่ยนึกถึงว่าเราเป็นพ่อแล้วเธอก็ตอบมาเลยนะว่าเนี่ยผมรู้เนี่ยผมรักจริงๆผมมผมรักลูกสาวมากเลยผมไม่อยากทิ้งเธอไปแต่ตอนนั้นผมแย่มากนะผมทนอยู่ที่บ้านไม่ไหวแล้วผมเป็นคนล้มเหลวทุกอย่างทั้งในเรื่องการงานทั้งในเรื่องครอบครัว ผมอยู่ต่อไปไม่ได้จริงๆแต่ถ้าผมมองหันไปมองลูกเนี่ยผมก็คงจะทิ้งเธอไปไม่ได้แต่ถ้าผมอยู่ต่อ น, นี่ผมคงตายแน่ๆเลยผมจำต้องไปผมทาผมทนไม่ไหวจริงจริงทั้งหมดเนี่ยเป็นการพูดออกมาจากปากของผู้หญิงนะตอนนั้นเนี่ยเธอเนี่ยนึกเหมือนกับว่าเธอเนี่ยไปนั่งอยู่ในใจพ่อ และพอเธอพูดเสร็จนะเธอก็ร้องห่มร้องไห้พราะตอนนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เธอเข้าใจพ่อแต่เธอเนี่ยเธอคิดว่าพ่อเนี่ยไม่รักเธอนะเธอฟาแต่ลงโทษตัวเองเนี่ยฉันคงทําอะไรผิดนะพ่อจึงทิ้ ง, งฉันไปโดยแม่กระทั่งไม่เหลียวมองแต่ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วนะจริงๆแล้วพ่อรักเธอมากแต่พ่อไม่กล้ามามองสบตาเธอพ่อรู้พ่อรู้ว่าถ้ามองสบตาเธอเนี่ยพ่อเนี่ยจะทิ้งเธอไปไม่ได้ แต่ถ้าอยู่บ้านต่อไปก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคงจะต้องฆ่าตัวตายแ น, น่ๆอะไรทำนองนั้นนะตอนนั้นเป็นครั้งแรกเนี่ยที่เธอเข้าใจพ่อนะว่าพ่อรักเธอและมันทำให้เธอเนี่ยได้รับ ก, การเยียวยาพ่อคิดมาตลอดเลยว่าฉันเป็นคนไม่มีคุณค่าฉันเป็นคนที่แม้กระทั่งพ่อยังทิ้งฉันเลยนะผัวก็ทิ้งแล้วฉันจะอยู่จะมีความหมายอะไรแต่ตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าพ่อทาไมจึงไม่หันมาศบตาเธอ ไม่ใช่ไม่รักเธอรนะักเธอแต่ว่ากลัวว่าจะทิ้งเธอไปไม่ได้นะจึงต้องจำใจนะไม่หันไปมองเธอตั้งแต่นั้นผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะแกก็ผาดแพ้ก็ได้รับการเยี่ยวยาเธอทุกมาเนี่ยกี่ปีอ่ะยี่บปีเพราะเข้าใจผิดว่าพ่อไม่รักเธอนะอันนี้ก็เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเรื่องของความทุกข์นะ ที่เกิดจากการที่เข้าใจผิดนะและมันก็นี่คือสิ่งที่มันก็เกิดขึ้นนะกับความสัมพันธ์กับผู้คนมากมายไอ้ความรักที่มีต่อกันแต่ว่ามันถูกบั่นทอนเพราะว่าฝ่ายหนึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเข้าใจผิดนะหรือว่าไม่พยายามที่จะสื่อสารให้สื่อสารกันฉั้นถึงบอกว่าเนี่ยแม้ชีวิตจะยืนยาว นะความสัมพันธ์เนี่ยจะยืนยาวแต่ถ้าหากว่าคุณภาพของความสัมพันธ์นี้มันแย่มันสู้ความสัมพันธ์ที่สั้นนะแต่ว่ามีคุณค่าแม้จะจากไปเพราะว่าความตายมาพรากนะแต่มันก็ทำให้เกิดความอิ่มเอมเกิดความสุขนะตรงข้ามอยู่ด้วยกันมานานนะแต่ว่าเหินห่างหมังเมินกันหรือว่ า, เ, าเพราะความเข้าใจผิด นะอันนี้มันแย่ล้วนะคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเราพยายามที่จะสื่อสารกันนะหรือว่าไม่พยายามที่จะด่วนสรุปตีความมันก็ไอาการทำร้ายกันหรือว่าทำร้ายตัวเองด้วยความคิดปรุงแต่งนะในทางที่เป็นลบเนี่ยก็คงจะน้อยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะถ้าหากว่าคนที่ เหินห่างหมางเมิอนอยังมีชีวิตอยู่นะควรที่จะละทิฏฐิมานะนะลองหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ลองคุยกันดูอาจจะพบว่าไอ้ที่เหินห่างหมางเมินที่คุ่นเคืองกันเนี่ยมันเกิดจากความเข้าใจผิดแท้ๆเลยเป็นความเข้าใจผิดที่สะสมกันมา 10-20 ปีหรือว่าฝังลึกเนี่ยเป็น30ปี บางทีมันก็เกิดจากและการที่คนเนี่ยนะไม่หันหน้ามาคุยกันไม่หันหน้ามาปรับความเข้าใจกันเนี่ยทิฐิมานะก็มีส่วนนะอย่างแม่ของอากงเนี่ยนะแกก็คงจะรู้ว่าไอ้ความเครียดแค้นความโกรธเคืองลุ่มก็คงซาไปนานแล้วแต่ก็ไม่กล้าเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนอาจจะเป็นเพราะทิฐิมานะว่าฉันเป็นแม่นี่ จะไปเริ่มต้นนะจะเข้าไปหาลูกได้ยังไงลูกตั้งหางนะั่นที่มันต้องมาหาแม่ให้ลูกก็กลัวแม่นะก็เลยนะชีวิตที่มีโอกาสที่มีแทนที่จะใช้เพื่อรักกันด้วยความเข้าใจกันไม่กากลายเป็นเหินทางนะแต่ยังดีนะที่ยังมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันใน วันท้ายๆของชีวิตนะแต่ก็มีหลายลายนะที่ว่าแม้กระทั่งวันท้ายทยนี่ยก็ไม่สามารถจะปรับความเข้าใจได้เพราะมีทิฐิมานะจนกระทั่งนาทีสุดท้ายหรือว่ามีความเจ็บปวดจนกระทั่งไม่พร้อมที่จะให้อภัยหรือว่ามีทิฐิมานะจนกระทั่งไม่พร้อมที่จะขอเขามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเศร้านะเป็นโศกนาฏกรรม งั้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้นะตระหนักถึงความสําคัญนะของมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลเนี่ยนะยต้องพยายามที่จะเข้าใจกันให้มากขึ้นลดทิฐิมันะนะนะมันก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยที่มีอยู่ที่เหลืออยู่ของเราเองและของอีกฝ่ายนึงเนี่ยมันเป็นชีวิตที่นะมีความสุขเอาล ะ, าละาคำนิ้วพวุทธ น, นี้นะ